ความพร้อมนะ่ะมีอยู่มากในใจของเราแต่ละท่านนะท่านรวมทั้งผู้แสดงอยู่หนาบัตรนี้ด้วยซึ่งเคยเป็นมาและเคยทราบเรื่องของตัวโดยลําดับเนื่องจากการอบรมหรือสำเหนือกศึกษาภาวะแห่งความเป็นของจิตเสมอหมายจึงพอทราบได้ว่าง่าได้บ้างว่าจึงได้ตรอมจริงได้จิน ส่วนมากมีแต่ของจำปลอมทั้งนั้นปรุงแต่ง <c oughs> เรื่องราวให้เราหลงไปตามโดยไม่รู้จุดตัวเลยว่าสิ่ง น, นั้นเป็นของจำกลอ ม, มแต่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของตัวเรล้วนๆจึงเชื่อตามโดยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเป็นเครื่องต้านทานหรือพิสูจน์ความซิปประเภทนั้นๆบ้างเลย เรานั่งภาวนาในขณะสามวินาทีแรกมีรู้สึกจะกิ่มเราจะกําหนดพุทธโธพุทธโธก็รู้สึกว่าเป็นพุทธโธจริงๆในระยะสามวินาทีแรกพอสี่วินาทีห้าวินาทีหลังไปจนมาทั่งถึงหนึ่งวินาทีเรื่อยๆไปแล้วรู้สึกอของปลอมทั้งหลายจะค่อยหลังไหลออกมาเรื่อยๆค่อย ออกลูกออกเต้าออกหลานออกเหรนออกมาเรื่อยๆนี่แต่ของกลอมคำว่าพุทโธเร่งทั้งซากหายไปไหนเดี๋ยแต่เรื่องอารมณ์ที่เคยคิดเคยปรุงเคยหลอกลวงตนเองมานั้นเนี่ยเป็นเครื่องถุนลากเราไปโดยมัรู้สึกตัวแล้วคล้อยตามเราด้วยเค้นตามเข้าไปด้วยน่ะเค้นอย่างสดด้นน้อนเตินด้วยของกลอมนั้นพุทโธก็หาย อนาปานณะที่ก็เงียบทั้งที่หายใจอยู่แต่ก็เงียบเงียบในความจดจอ่อเงียบในทางกาหนดเจาะจงในความตั้งใจในความมีสติสตังไปหายเงียบไปต่างๆกันไม่พอรลึกขึ้นมาได้นี่นี่เรานั่งภาวนา ม, มาก็นานกว่าสมควรดังนั้นปรากฏผลอย่างไรเกิดขึ้นบ้างเลยมันเป็นเพราะเหตุไร ความคิดขึ้นมาเชนี้รู้สึกว่าจะถูกต้องแต่แล้กลับผิดไปอีกคือที่คิดกลับขึ้นมาอย่างนี้นั้นเหมือนกับว่าจะเห็นโทษของตัวไอนี้เราก็ภาวนามานานพอส่วนนั้นทำไมถึงไม่ได้ผลแม้จะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าก็เราไม่ได้ภาวนาเพื่อได้ผลอย่างนี้นี่หนักเราได้ภาวนาได้ผลเรื่องแบบอะไรไม่ทราบต่างหากนี่ถึงยังไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ตา่าง แต่เป็นความสะดุดใจว่าน่าจะได้สเติกเนีย่ยขั้นแล้วกลับไม่เป็นอย่างนั้นอีกนี่นี่เรานั่งพองน้านมานานนะทําไมไม่เห็ได้ยทีคราวคร า, าวที่สองนี่ขึ้นใหม่น ะ, ะพักหน่อยนี่อพักหน่อยเด้อพักหน่อยแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เอามันเอาใหญ่เลยครานี่หว่าแล้วหลับหลับมันไม่ทักหน่อยนี่นะมันไม่ได้คนะู น, นพอหลับแล้วไปใหญ่เลยจนมาทัาง ตะวันโผกันฟ้านต่ขึ้นมาโค้แล้วกันคือมีหลับใหญ่ครับวันหลังเอาอิจมันก็โกหกไปเรื่อยวันหลังเขาเท่าเดิมเชาวันาทีแรกค่ดีทีวันาทีหลังก็ค่อยเร็วไปเร็วไปเล่นเหนวไปเลยนลีย น, นี่คือพวกจอมปลอมแล้วนอกจากนั้นมาทําลายตัวอื่นนี่เราภาวนามาปเป็นเวลานานแล้วก็ไม่เห็นได้ ทำดีความดีอะไรแล้วจะภาวนาประหาอะไรเราเป็นคนนาบวาสนามีบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สมควรจะอาจจะทําของพระพุทธเจ้าแหละ ท, ทํำไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเดีย๋ยวเว้นน้ำเว ล, ไลาไปบอกกล่าวหยุดจะดีกว่าแล้วเราไม่ได้คํานึงเลยว่าหยุดหยุดไปนั้นอาจจะดีกว่ า, าจริงๆงเหนือแล้วการหยุดไปนั้นดีจริงๆเหนือแล้วหยุดหยุดไปจะดีกว่ า, าจริงจรงเหนือถ้าเราย้อนคิดอีกมันจะดียังไงหยุด ต้อทำอยู่ยังไม่เห็นได้เรื่องแล้วหยุดไปล้วไม่ได้เรื่องมาจากไหนเนี่ยนี่คือว่ามันต้มเราเรื่อยๆนะนะ่าร้องเราพูดต้องมีข้างในข้าง น, างนอกมีจินนอกกินในปลอมนอกปลอ ม, นออมในป้อมอะไรก็ตามสําสคัญที่ปลอมในตัวเองหล อ, อกตัวเองนี่เป็นสิ่งสาคัญมากควรได้ทพิจารณากันพวกเราทุกๆท่านดโดนต้มโดนตุนมาพอแล้วโดนหลอกลวงมาพอแล้ว หัวใจเจ้าของหลอกลวงเจ้าของนั่นแหละโดยไม่ทราบบ้าเจ้าของหลอกลวงเจ้าของเทียงยกขึ้นมาเล็กน้อยนี้ก็พอจะทราบได้ว่าถูกฝ่ายต่ำหลอกลวงเราไปมากน้อยเพียงไรเราอยากจะทราบสามสีนาทีแรกมันดีสามสีนาทีหลังไม่ดีตั้งสติเข้าอีกขยับเข้าไปอีกเรื่อยเรื่อย ต่อมามันก็ทราบขณะที่จะแสดงอะไรออกมาเป็นฝ่ายไม่ดีซึ่งผิดกับเจตนาของเราแล้วเราจะเริ่มทราบเริ่มทราบเริ่มตั้งจิตใหม่ตั้งสติใหม่ทราบเข้าไปเรื่อยๆต่อไปก็ทราบเรื่อยๆน่ะเราจพงจะทราบความเหนียวไหลของจิตและทราบความไม่เป็นผลของจิตตามความต้องการทั้งเราก็ไม่เป็นผลเพราะเหตุนี้เองน่ะเราก็ทราบ เรได้ตั้งใจกันเอายิงเอาจังอย่างนั้นไอพวกพรามันก็ยอมเหมือนกันนะคือพวกนี้คอยพยายามเอาตอนเราเถอะถ้าเราตั้งหน้าตั้งตั้ ง, งท่าต่งางๆนี่เขาก็หมอบแต่คำว่าหมอบนั้นอย่าเข้าใจว่าเขาหมอบนอนเหมือนเรานะเขาหมอบจ้องพอจะได้ท่าได้ทีได้ไรเขาปักขันตีเร็วยิ่งกว่แมวจับคุกหนูไป กับภูมเราเนี่ยยับายแล้วก็เขาเงียบนี่เขาค่อยเอาบัตรเวลาเอาเอาบุญเวลาเราเผอถ้าเราไม่เผอเขาก็ไม่เอาที น, นี้พอเราตั้งตั้งใจไปอีกสักพักหนึ่งพอเราไม่เผลอเราก็ได้ใจเราแล้วเราไม่เผลอตอนที่เราได้ใจว่าเราไม่เผลอเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะเผลอและเป็นเวลาที่เขาจะได้ใจเขานานเนี่ยถูกต้องมาอยู่เรื่อยอนีคงจะมีเรื่องกันทุจร้าย ไม่ว่าจะอาจารย์ผู้แสดงอยู่เวลานี้จึ่งเคยเป็นมาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องหาวิธีการหาสถานที่สําคัญทํคาคัญเพื่อดับธดานประกองช่วยทางความเพียรอีกหลายด้านหลายทางดัทงที่เคยเขียนไว้แล้วในประวัติทั้งจันท์มั่นหรือในปฏิบัติทางพรมธรรมฐานสายทั้งจันท์มั่นนี่ในอะไรเรียกว่าพระธรมรมอย่างธรรมะป่า แบบฮะไม่เหมือนกันว่าไปอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายสถานที่ที่จะบําเพลินก็สะดวกสบายเพราะมีหน้าที่อันเดียวคือเข้าไปอยู่ตามป่าตามเขาสถานที่น่ากลัวเพราะสถานที่เชนั้นมีจริงๆเรื่องสัตน้อยต่างๆน้ํามึงเือพวกงูงูเป็นต้นเวลาไปอยู่ในสถานที่ฉะนนั้นความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปลง เป็นความขี้เกียดในการประกอบความเพียนนี้ก็ถอยลงไปเดิมหนักความขี้เกียดมีน้อยพอเข้าไปถึงตาจ น, นจริงๆความขี้เกียจหายไปหมดไม่ทราบมันหายไปไหนนังเหลือแต่ความจนกรอบจนมุมนั่นแหละเวลาจนกรอบจนมุมสติมาเองทีเดียวตั้งหน้าตั้งตาบําเพ็ญความภาคเปลี่ยนนี่เงือแตกโชคไปหมดทั้งทั้งล่า ง, ท, งทั้งที่เหน้าหนาวนี่ เหื่อมาจากไหนเพราะเหงื่อมความตัวตายนะันบังคับให้เหงื่อมแตกออกมาตอนนั้นสติดีเดี๋วดีไม่ดีเสื้อก็หุ่มกครื่องหุ่มอยู่ข้างๆทางกระกลมเฉยๆนี่เคยโดนมาแล้วนี่ไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะเคยโดนมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเชื้อก็หุ่มเครื่องหุ่มอยูข้างๆที่อยู่เชื้อไม่ใช่เชือธรรมาดาซะด้วยเชื้อใหญ่เชือโคร่งพระปฎิว่าไอ่ผมบนทศรานี้มันติวขึ้นบนเมฆไปหมด ไม่ทรามันเป็นยังไงมันตั้งไปหมดแต่จิตไม่ยอมถอยหมุนตัวลงไปนี่จะเป็นจะตายเราเวลานี้เราได้มอบ ก, กับพรุทธเจ้าแล้วมีพระุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะรักษาชีวิตจิตใจของเราไว้ได้หากว่าถึงการจริงแล้วจิตทั้งเราก็ไม่เผลอเราได้มอบแล้วกับพระุทธจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกประการเนี่ยจะไปเวลาใดเราก็พร้อมแล้วที่จะไปอยู่ก็ขอให้มีสติสตงังย์อย่าให้เสียธาตุเสียทีเลยอะไรจะม า, าไปกินก็มาเถิดแต่เราจะไม่ ก็ไม่ปล่อยวางเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมม์สมจิตมอบเลยพอจิตมอบกับวิญญาณพระธรรมสม์สมแล้วหมดอะไรถึงอะไรใต้อยากในชีวิตจิตใจความรักความสงบในร่างกายหมดไปเลยแล้วแต่จิตที่มันแน่วต่ออดต่อทองความกลัวหายหมดในขณะนั้นแหละพความกลัวหายหมดจิตมันดิ่งแล้วนันนะนหะจิตดิ่งลงแล้วเป็นพลังเต็มที่แล้วความกลัวหายหมดหลังจากนั้นแล้วไม่ว่าจะ่เสือจะ ร้องกระหึ่มกระหึ่มเพื่อนตอนนั้นขอให้เสือเดินมาถึงเดินมาตรงหน้าเราเราสามารถจะเดินเข้าไปลูกคำหลังเสือได้อย่างสบ า, า, ายด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเป็นอันเดียวกันด้วยความสนิทสนมกันว่าเป็นเพื่อนเกิดแจกเจ็บตายร่วมกันในความรู้สึกนั้นไม่ได้คิดแม้นิดหนึ่งว่าเสือนั้นเป็นอันตรายและจะทำอันตรายแก่ตนได้ในขณะที่เข้าไปลูกคำหลังเขาแบบนี้เป็นต้นไม่เคยคิด นีแต่จะเป็นความสนิทสนมดังที่ใจคาดหมายไว้หรือใจแน่เน่แน่ใจไว้เท่านั้นนี่ความกลัวนั้นจึงหายอย่อุบายวิธีทรลอุกข์ผลทรมานมีหลายด้านหลายทางพอเราได้ได้หลักเต็มได้สิ่งเป็นเครื่องในเวลานี้แล้วเวลาต่อไปเรานําหลักนี้ไปพูดต่อที่แบบ ไปอยู่ในสถานที่เป่นไรเวลาจนกรอบสมูมไอเรื่องที่เราเคยได้อาศัยจะวิ่งเข้ามาถึงกันทันทีทันทีเรารเผชิญอันตรายหรือเผชิญกับเหตุการณ์แต่ละครั้งถ้าเป็นนักต่อสู้แล้วเราจะต้องได้คติสำคัญสำคัญกับเหตุการณ์นั้นๆทุกๆครั้งแต่ นอกจากวา่จะไปแหล่ให้ไปแหล่นั้นเออันนั้นเอาแน่ไม่ได้เดี๋ยวเป็นบ้าเพราะจิตไม่แน่นอนจิตไม่วางลงเป็นหลักเป็นเกมจะมอบกับสิ่งใดก็ไม่ไม่ยอมมอบลังเลงสงสัยนี่ะเป็นบ้าก็ได้แต่ถ้าจิตได้มอบลงไปจริงๆเนาะมันไม่มีอะไรที่จะมีอํานาจเหนือจิตกับธรรมที่เข้าสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดี และแน่ใจด้วยว่าเวลานั้นไม่มีอะไรที่จะสามารถทำอันตรายเราได้เลยไม่ว่าจะยังจัดยังเสืออะไรที่เป็นอันตรายในโลกนี้ไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้ น, นอนนานาจของจิตรู้สึกมันเหนืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ก็เป็นอุบายวิธีฝึกทรมานความจอมปลอมของตนเอนที่มันเคยจอมปลอมอยู่ภายในจิต ถ้าดูโดยลําพังไม่เข้าสถานที่จนกรอบจนมุมมันก็ย่ายีรอนแหลกหมดนะเพราะเข้าที่จนกรอบจนมุมเราก็อยขยำมันเหมือนกันแต่ส่วนมากมันมีแต่มันขยํำไม่มีเราไม่ได้ขยํามันเราได้ขยํามันตน้หนึ่งนี่โอ้ยคุยกันปากเปียกปีหนึ่งไม่จบจนกระทั่งตายไม่จบเวลามันขยําเราจนเป็นลาบเราไม่เห็นพูดเลยเห็นลานี่ก็อวดเก่งเกินไปนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ คือเวลามันถึงใจเวลาเราได้ทํานั้นเห็นที่เราจะพูดได้อย่างเต็มปากก็เพราะว่าเรามันถึงใจในขณะที่เราได้ถึกผลอารมเต็มที่ได้มอบสีจิตใจกับอัดกับทำกับเหตุการณ์ตา่างๆอย่างเต็มใจแล้วมันถึงใจจริงันะกันก็ัชนะเห็นได้อย่างชัดๆัประจักษ์กับใจผลแห่งความชนะเป็นอะไรบ้างแสดงเป็นความอาจารย์คือหมาหเห็นไปจากอีกเหมือนกันเหตุได้จะลืมได้ห่ะลืมไม่น่าจนกรทั่งวันตาย วันนี้อธิบายเป็นแค่นี้ก่อนแล้วต่อไปมีอะไรก็ปรดกัีเาทำเป็นยังนะขออัาจารย์ที่ท่านอธิบายครับผมอธิบายอภัยครับทีนี้ท่านดังไม่เห็น อะไรจากตัวเองในเวลาจำเป็นนะยังไม่เห็นความสำคัญ ข, ของตัวจะหวังพึ่งคนผู้อื่นไปเรื่อยแต่ในคำที่ท่านว่า อ, าตาอัตตางิตโนนาโถนจะยังไม่สนิดใจต่อเมื่อเราได้ไเจอเหตุการณ์ที่เราสามารถแก้ได้โดยลำพังเราเองนะจน เหตุการณนั้นรุ่ร่วงไปได้ด้วยความมีใยเราจะเชื่อในธรรมที่ว่าอัตถิอนุนัโถอย่างฝังใจจิตที่ได้ในกณะที่ได้ได้รู้ได้เห็นในขณะที่จนขอบเนทุกเวทนาครอบงำใ น, นขณะที่เราเป็นไข้หรือเรานั่งลานหรือจะไปเจอดง เจอเหตุการณ์อไรกตามที่เป็นสิ่งบุญแรงอัดถุงกับแตกตื่ตนก็ได้ถ้าเป็นนักต่อสู้จิตหมุนรอบตัวไม่คิดเพื่อหวังเึื่อะไรจากสิ่งภายนอกแล้วนั่นแหละจิตจะได้เห็นความสําคัญข้างตน้นได้เห็นแต่ละครั้งละครั้งนี้เป็นสิ่งที่อาจ า, กการย์มาก เราได้เคยผ่านมังมาแล้วเราก็ ม, มีความที่ตกที่จถึงี่น่วมความเป็นอยู่ความตายไปถึงทุกเวทนาจะเกิดขึ้นด้วยอาการใดบ้างนี้เกิดขึ้นด้วยวิธีใดบ้างเราจะต่อสู้กับทุกเวทนาได้หรือไม่ไม่ตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนเราจะเสียผ้าเสียทีไปก็ ผู้บริทนาร่ำร้องจิตใจจนถึง ก, กับไม่ไม่รักสติอาการใดหรือไม่กำนองนี้จะไม่มีในจิตเลยคือเวลาถึงความจํะเป็นอย่างนั้นจิตจะสติไตังนั้นนะมันจะวิ่งเข้าหากัน ท, ทันทีเข้าสู่แนวแนวโลกแบบนั้นเถะเพามันเคยรบมาแล้วเคยชนะมาแล้วพอถึงส่วนตัวจริง ส, สติกับปัญญาจะวิ่งขพากันเลยถ้าเหตุการณ์อยู่ตรงนี้มันจะวิ่งเข้าประสาในมันติดจะไม่ยอมหนีเลยหมุนตี่ไหว ไอ้เรื่องเป็นกับตายนั้นไม่ไปคาดนอกจากว่าจะให้รู้ความจริงในเหตุการณ์ที่กําลังปรากฏอยู่กับจิตนี่เท่านั้นมีนจะ เ, นเชื่อทำเชื่อตัวเองเชื่อทำเชื่อคง น, นี้ไม่เชื่อที่ไหนตำรับตำนาท่านพูดไว้แล้วโดยถูกต้องแต่ความจริงของเรา ภายในใจยังไม่ปรากฏมันก็มีอะไรเป็นเครื่องอยืนกันเป็นฐานพยายาให้เป็นความมั่นใจขึ้นมาพอใจของเรากับเหตุการณ์ได้ประสบกันเข้าและได้รู้เห็นกันดักชัดเจนแล้วกับทีท่านแสดงไว้ทำสำหรับทำลายไม่มีอะไรกิดกันอันนั้นเลยเป็นเรื่องมาที่สองไปแล้วเรื่องตำราเลยมาที่สองเรื่องเรารู้ในตัวของเราเองมาที่นี่เป็นอันหนับ ความจริงนนะั้นในตำราท่านพูดโดยถูกต้องไว้แล้วมานานแสนนานแต่มันไม่ถึงใจเราเราไม่เชื่อเท่าไหรนะักพอเป็นขึ้นกับเราจริงๆแล้วเราเชื่อเราแล้วเรื่องตำราเขาหรือเป็นอันกเหมือนว่ามาที่สองไม่มีปัญหาอะไรแล้วนักปราชญ์ทั้งหลายเวลาท่านจําเป็นจริงๆท่านจึงไม่ค่อยจะชอบอยู่ในที่เกินคงวุ่นวาย ท่านชอบจะหาที่เหมาะสมท่านให้สมก็ท่านเคยได้เด็ุได้ผลอย่างนั้นมาในสถานที่จเปลี่ยวเลยสถานที่เด็ดยวเดี่เดี่ยวเดีวพวก เ, เราไม่เป็นอย่างนั้นพอเริ่มไม่สบายแล้วโห้ลูกอยู่ไหนร้านอยู่ไหนมีลูกไม่ดูแลร้านไม่เยี่ยวแล นี้เ็นไงผมหยาดนิดหายอะไรแบเหมือนกับว่าไม่ดีไปหมดทอดอะไรไปโมดใครก็ตั้งเขียนเราเหมือนนี้ใครหดดให้โลกแหงชายเราทุกจะเป็นจะตายจิดริญยุ่งหรือไปใหญ่เลยหัวจะกวนอยู่อออด้วยกันมากก็ดีบ่เวลาเราจะตายตจริงไม่เห็นมองหน้าเลยหัวก็ไม่ดีลูกก็ไม่ดีร้านก็ไม่ดีไม่ดีไปโม้ เพราะความไม่ดีภายในมันมันไปเที่ยวเอาเอาอะไอาน้ำตกกภายในมันไปเที่ยวสาดทั้งนอกให้ต ก, กกั้งหมดลูกเป็นพัวกับตกกบไปเป็นญาติมิจฉาอยู่ใกล้อยู่ใกล้ตกกบไปมดเพราะน้ำตกกภายในใจทุกคนน้าห่วงน้ำทัวตายน้ำไม่เป็นทาของเราเนี่ยมิจฉาแค่คนอื่นในเรื่องวอ ไม่สมาธินี่คือมันไม่มีอะไรเป็นหลักใจคําว่าอิตาอัตหิตอนุนาโถไม่คขมมงมีแต่จะหวังพึ่งผู้อื่นดุจชายเดียวเกิดมาแล้วก็พึ่งผู้อื่นมานานแล้วเกิดมาใครเกิดมาก็ตามต้องพึ่งผู้อื่นมาทำนักพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพีเนี่ยงใครต่อใครพึ่งครูพึ่งอาจารย์เลื่อยมา แล้วสุดท้ายมัยังจะพึ่งคนอื่นอยู่ๆตลอดจนกงทั่งถึงวันตายไม่คํานึงถึงว่าจะพึ่งตัวเองแม้แต่นิดเพราะว่ายากเลยสอนให้พึ่งตัวเองพันตาหินอโนนาถโถพึ่งตัวเองพึ่งคนอื่นก็พึ่งมาพวว้นทุกข์แล้วเอาผลประโยชน์จากคนอื่นมาเป็นพลังสำหรับตัวเองเพื่อทําความพึ่งตัวเองได้มั่นเป็นหนาที่สำัญทีกกัรนในพ่อแม่อสอนครูอาจารย์สอนสจุิจับทำาอารมณ์ทั้งอสอน แล้วเอาวิธีการหรือความรู้ความเข้าใจที่เราเรียนมาที่ไปาศึกษามาเข้ามาประกอบให้เป็นองค์ความเพียนึน่ต้นช่วยตัวเองได้เมื่อเราเห็นความสำคัญในตัวของเราแล้วอย่างอื่นไม่สําคัญมันปล่อยหมดนั่นแหละที่ออเวลาเข้าตาจนจริงๆแล้วมันจะฉลัดหมดเดี๋ยวเขาญาติเพื่อนฝูงใครต่อใครก็าตามไม่อยากให้มายุ่งเลยเราจะทําหน้าที่เฉพาะอันนี้ให้มันหมุนเติ้วลงไปโดยเฉพา เพามันมีอะไรแล้วในโลกนี้ดินน้ําลมไฟก็เราก็พิจารณาได้ชัดเจนแล้วมันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟแม้จะผสมกันอยู่มันก็คือส่วนผสมของดินน้ําลมไฟนั่นเองแล้วให้ชื่อว่ามันว่าเป็นกายเป็นเราเป็นของเราว่าอะไรไปนั้นนหละธรรมชาตินั้นมันไม่ได้เป็นถึงค้าวมันจะตายมันไม่ไดเป็นว่างั้นเถอะมันจะตายชาเดียวมันจะแตกชาติเดียวทติปัญญาที่เราได้ถ้าเคยอบรมมา แยกทาดแยกขนันให้เห็นได้อย่างชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างตามลงในว ใ, ใ, ในความจริงหมดแล้วจิตก็จริงอะไรก็จริงจินทุกสิ่งทุกอย่าง น, นไม่มีเรื่องเน<ช>ี่ทานไปได้อย่า ง, ราางไรสุขโตไปอย่างนี้มีเรื่องมีเล่ายิ่งเยิ่งยิ่วายขอความทุกข์ความยากาความลำบให้ตนให้ผู้อื่นแ้นสุขแสนะมายตายแล้วมาต่องกุศลธรรมมากุศลธรรมมาไปนิมนต์พระมายุ่งก็ได้ ว่างั้นแล้วว่ดตาวัดป่ามันแักพูดอย่างนั้นพูดมีผููอย่างถึงใจนะเราเคยได้พูดเสมอเทศสอนญาติสอนโยมมีเราสร้างตลอดเวลานั้นเราบวชมาได้กี่พรรษาเนี่ยเราพยายามสร้างแต่กุศลาทางนานหล่อเราพยายามสร้างเราคาอย่างได้กุศลาให้สร้างเอาหน้าเวลาตายพระเจ้าป้วนน้องข้ามาให้บุญกุศลาไล่กันตามป่าตามโลกยุ่งไปหมดนรบอกนี่เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นกุศลา เราจะหาความฉลาดจะตั้งแต่ บ, บัด น, นี้เลายังไม่ตายหาให้พอกุศลาไปว่าความสลาดทำลายที่ให้เกิดความฉุกความสบายแก่ตนให้ ท, ทําเสียตั้งแต่ บ, บัด น, นี้อย่าเวลาตายแล้วอย่า น, นิมนพระท่านมากุศลาทํามาให้พระท่านยุ่งไปด้วยพอสุดสุดสุดท้ายแล้วเวลาเราตายหลวงตาบัวตายอย่าไปนิมนพระมาให้ยุ่งทันนะหลวงตาบัวนี้กุศลาธรรมามาตั้งแต่วันปฏิบัติมาแล้วจะไม่ทั่งปัต น, นี้ว่า ถ้าจะฉะลาดสกปรกฉลาดแล้วถ้าจะโงให้ตายให้แต่หลว ง, งแต่บโบคนเดียวย้ายผูอื่นมาโงูอีกด้วยด้วยด้วยอีกด้วยเลยเราบอกงั้นภูมิโกงนี่แหละผูกํลักสีบลูกหาแล้วเป็นความจริงนั่นด้วยนะเราไม่เคยวิตกพิจารณาอะไรถึงเวลาปล่อยเราจะปล่อยอย่างสนุกโลกทั้งหลายล่อยธาตุตัวคันเวลาจะตายอู้เศร้าโศกโก า, าข้างข้างหน้าข้างหลังพูด ยังอยู่เข้ามาอยากใหตายตัวจะตายก็อยากเป็นอยู่รึงข่าวจะไปแล้วยังไม่ยอมจะไปยุ่งไปหมดมนมาให้มันเป็นเรียนรู้้รู้ตามความจริงถึงเวลาไปแล้วเหลอเอาไปก็ไปไ้่ยังไม่ไปเหลืออยู่อยู่สิอยู่หวังหวังไหนมีลำส่วนลำฐานเอามาไมลำยังขันหมดเ ล, ลยเวลาจะตายจะเอามายุ่งเวลานี้จะปล่อย มันหนักแล้วเกินพลาเวนจักขั้นฐานปล่อยลงตามหลักความจริงเนาะทานไปอย่างสบายนั่นเป็นยศของนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่นานเป็นอย่างนั้นสาวกท่านเป็นอย่างนั้นเราถ้าเดินตามต้องรอยพระพุทธเจ้าแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นได้เลยต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆสารเป็นตอนนี้เป็นเชื่าเป็นสองกันนะแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมาได้อยู่ที่ไหมหลังจะได้กลับเมืองไทย คิดถึงพี่น้องทั้งหลายที่มาในเวลานี้ก็ตั้งใจมาจริงๆเพราะเห็นแต่น้ําใจเนี่ยอาจารย์ที่มาอังกฤษนี้ไม่ได้มาเพื่ออามิตอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในวัดเจ้าของไม่ว่าจะไปในวัดใดไปสถานที่ใดในเมืองไทยไม่เคยมีจิตใจคิดไปเพื่ออามิตว่าจะไปเพื่อวัตถุสิ่งของเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อล้าเพื่อรวยไม่เคยมีในจิต แต่ไปผู้จิตใจของประชาชนให้เขาได้รับประโยชน์แม้มาอังกฤษนี้ก็มีความรู้สึกเต็มเตี่ยมภายในใจอย่างนั้นเหมือนกันเรื่องน้ําใจเป็นสิ่งที่มีน้ําหนักมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดถ้าน้ําใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีไปตามถ้าน้ําใจไม่ดีแล้วเสียไปตามหมดนั้นมาเลี่ยมพี่น้องทั้งหลายทางอังกฤษเราลำดอนเราจึงมาด้วยน้ําใจ เวลาจะจากไปก็คิดถึง น, น้ำใจท่านทั้งหลายถามว่าโอกาสว่าสนาของเรายังมีเหลี่ยวร่ากันอยู่การเวลาผ่านไปเราอาจจะได้ผ่านมาหรือทางนี้อาจจะได้ผ่านไปไปเยี่ยมกันก็ได้ทั้งนน้นมาเยี่ยมก็ได้เพราะโลกนี้มันตรงอดมาก็ได้การแสดงธรรม น, นี้ก็เห็นว่าควรถึงขอนิ้ติดถ้าท่านผู้ใดมีข้อความใจอะไรจากศึกษาการลก็ ศึกษาได้ฉนัวันพรุ่งนี้ไม่มีเวลาแล้วครับตอนชากันเดชาแล้วออกเดินทางาาอาจารย์มันยาอธิบายต่อใช่ไหมครับ